ท่านทุอ่านน่ะท่านไม่พางเพลงมาตอนนี้ก็มาจุดเรื่องศีประจำสักครู่หนึ่งมาช่วยแก่วินิจฉัยเพียง 2 พระมหากษัตริย์คือ 1 พระเจ้าพรหมมหาราช ประเทศไทยก็มีท่านที่มีบุญเข้ามาช่วยถือว่าเป็นประเทศที่ ความจริง 60 ปีจักรการหรือว่าถ้าใครมีลูกก็เป็น 60 ปีจักรการการปฏิวัติรัฐประหารไกลทบทในบ้านเมือง ตะตวะก็มีเขตบางเขตขอขึ้นอยู่ ความอ่อนแอของชาย ในเวลานั้นประเทศก็ ขึ้นทะเลงราดยกทัพมารับทัพของขอมที่เมืองพะเยาเมื่อเขาตั้งใจเตรียมทมหลายปี ต้องขับออกจากบ้านทั้งเจ้าทั้งใฝ่เรียกว่า เข้าปราทัญญ์ยาหาญจะขนไปก็ไม่ได้ไม่บ้าเข้าไปได้มั่งไม่กันก็ สมัยปีหนึ่งปรากฏว่าพระเจ้า อยากได้ศาสตราอาวุธอยากได้ทุกอยคนอย <c oughs> 250 คนกันท่านพ่อเวลานั้นก็ <c oughs> แต่ก็เป็นกษัตริย์แบบชาวบ้านชาวบ้านที่ทั้งช่วยกันทุกอย่างช่วยกันหาทองร่อนทองถึงเรื่องการส่งเครื่องบรรณาการกับขอมขอม ให้ต้องมาจายขั้นต่อมาเมื่ออายุ 12 ย้อนร้องไป เขาไม่ได้ต้องการคนไทยเขาไม่ต้องการ เข้าไปบินละบาดในเขตของขอมเจ้าพวกขอมเจ้าน้อยมาดูไอ้บ้านเมืองเป็นวันเนนออกมา แต่ว่าเสียใจและน้อยใจก็ว่าไป เราเนรอนนี้เจริญเจริญกรรมฐานวิปัสสนาญาณกับอาจารย์ ตอนนี้จิตอาจจะเป็นบาปแต่พอเวลาภาวนาขึ้นมาหลัง ก็ตายจากความเป็นเนนยืนตายอ่ะภาวนาไปภาวนาไปจิต ก็เป็นเวลาเดียวกันกับอาจารย์ที่สอน 12 ปี จึงบอกกับราชบิดาว่าเราๆเชื่อว่าแต่คําว่าล้อม ของก็ยังไม่ว่าอะไรปีที่ 2 ก็ไม่ส่งเครื่องบรรณาการอีกของก็ไม่ 15, 15 16 ปี นอนฝันได้บอกว่ามีเทวดามาบอกว่า ถ้าจับเชื่อติด 3 ได้ก็จะ ลอยมาเทวดาบอกว่าจะเป็นช้างเดินเป็นงอหงอนก็ไม่ท้องปล่อยงอหงอนไป 1 ตัวอีกสักพฤติยนั้นก็มีงอหงอนช้าๆเหมือนกันเด็กชัย แต่ชัยพรก็คิดว่าไป 2 ตัวและเป็นงูงอนตัวนี้เป็นงูงอนจะเป็นงูหรือจะเป็นช้างก็ตาม นี่เทวดาทั้งหลายก็หลวงเหมือนกันน่ะแต่โดยสุดก็ ก็มาใส่ไว้ในที่ในที่เลี้ยงช้างและแยก 3 เมื่อ 3 แล้วขอมบาตแข็งเมืองแน่ไม่ เจ้าเชียงแสนไปแม่สายไม่ไกลนักแต่ทางไทยซ้ําก็ยกทัพมารับข้าศึกที่เมืองสันใสตําบลสันใสเมื่อทัพต่อทัพประทะกัน เมื่อเห็นเจ้าน้อยขับท้างกันมาวิ่งหนีพวกไพร่พล แล้วว่าพระพิมพ์มนชมพล พระอินทร์พิจารณาเห็นว่าถ้าผืนปล่อยไปๆนั้น ขอมก็มาที่นั่นผ่านเขตนั้นไปศรีสัจจนาลัยเค้าเป็นเมืองใหญ่มีกําลัง พอเข้าเมืองก็นําทหาร 200 กระบอกพระเจ้าผมไม่มีเดฮันหัวเมืองทับ ในเมื่อเขามีปืนเราไม่เข้าเราไม่รบแต่เราจะล้อมไว้ ก็มีพระองค์หนึ่งท่านเป็นใหญ่ในหมู่พระพระเวลานั้นเป็นพระ ตระกูลกันอยู่ไกลเพราะเวลาสร้างธรรมบนทันทายครั้ง แก่ขึ้นเชียงเถิงขึ้นไปและชั้นตั้งไกลกว่ากระสุนปืนนี้จะ เมื่อแต่งงานกันเป็นลูกเขยเจ้าเมืองเป็นผัวลูกสาวเจ้าเมืองเรื่องทัพพวกราข้าแล้วก็กลับพอจะได้เมียมา ช้างอยู่ไม่นานนักมีคนคงมีหาย่าให้เอารางทองใส่ใส่ย่าให้ก็อยู่อย่างนั้นที่สุดวันหนึ่งช้างก็ออกจากที่ผู้ควบ เนี่ยเรื่องราวของเชียงแสนพระเจ้าพรหมมหาราชเป็นอย่างงี้ การคิดกันจริงๆแล้วไม่น่าจะสู้ข้าศึกได้แต่ก็ฟันฝ่าไปได้แล้วก็ไปรวบรวมกำลังคนกันหนีไป ก็ต้องคิดดูว่าความลําบากยากแค้นเป็นยัง ถ้าสามารถยกกำบากตีประเทศ ก็ต้องคิดว่าการรบแบบนั้นบา ก็ขึ้นเป็นพระราชาเรื่องเล่มก็ ในที่สุดพย terminology ก็เสียถ้าไปคบกับพวกมายึดอำนาจ mniej wipes. เป็นสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกยกทัพกลับจาก ถ้าไม่ทํายังไงก็ต้องชําระหนี้กันเป็นศาลสืบสันตธิวงศ์แต่ความจริงพระเจ้าศิณบวชบวชที่ความบริสุทธิ์แล้ว คนหัวเข้าพระเหลืองลงหน่อยก็เขียนให้ถือ สำเร็จมฤธาฟ้าจุลาโลกเครื่องครองราชถ้ามามาพระเจ้า <scam. S 1> เมื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็น ไกลกับไกลช่างช่างพลายกับไกลปึกกล่อมความว่าถ้า ถ้าคิดอย่างนี้ใครจะมีคิดยังไงมีความรู้สึกยังไงบ้างก็เป็นว่าไอ้นี่เป็นแค่เรื่องวินิจฉัยหรือเปรียบเทียบในเมื่อมีความจําเป็นก็มี มาเวลานี้สําหรับวัน 23 ตุลาคม 2533 เวลานี้ประเทศไทยกําลังมีความ เงินคงคลังเหลือมีเป็นแสนๆล้านเป็นเมืองมีบุญเพราะจะเลาะแลที่ใดก็มีคนดีดีสมัยใครดีมั่งอันไม่ทราบก็ถือว่าทุกท่านนี่ร่วมกันบริหารดีก็แล้วเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผล <c oughs> jonge de protestantse geesten, degenen die luisteren en luisteren, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal,